นาโมทัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมปตัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมปตัสสะนาโมทัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมุตัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคจารหันตสัมมาสัมพุธเทธเจ้าพระองค์นั้นบัดนี้ถึงเวลาปฏิบัติบูบชานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากานนั่งขัดสมาธิ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 เป็นสมาธิเทระวันนึกน้อมถึงบริกรรมภาวนาหรือกำหนดความทุกข์ความเดือดร้อนในโลกเรามันเต็มไปด้วยภัยอันตรายเรายัางจะมาง่วงเอาอเผานอนฟุ้งซ่านลำคาญอยู่ไม่ได้ต้องตั้งใจใหม่ยาให้ความง่วง เหงาเหงานอนมาทับสมจิตการหลับนอนถีนเมตทธะความง่วงเหาเหานอนเนวรนทังห้ากามะฉันความรักใคร่พอใจในกามอารมณ์ทั้งหลายพยาบาทความอิจฉาพยาบาทกันถีนามิทธะ คือความง่วงเหงาเหานอนมันพวกในวร์ทางนั้นกุทธัจจะกุกุจจะจิตฟุ้งซ่านคือว่าจิตไม่สงบจิตไม่หยดจิตไม่โยจิตไม่โลที่แลกของตัวเองเลยมาหลงโยแค่ความสุขสงบสบายสบายในการหลับการ เอาตัวนอนลงไปเรียกว่านอนแม้เราจะนั่งสมาธิอย้าคาสติจิตมันง่วงเหงาเหานอนไปได้อ น, นั้นก็คือว่านอนเรียกว่านอนแบบลิงลิงนันมันไม่ได้นอนเหมือนคนมันนั่งหลับแต่คนเราไม่ได้ไปดูลิงนอน แปว่าเรียนกับลิงได้ที่เรานั่งภาวนาเป็นห่วงเหงาเหานอนได้นะคือว่าเรียนสมาธิกับลิงลิงบกอกที่มันมาหากินใบไม้ตามข้างทําผ้าปล o แล้วเนี่ยนันแหละมันนั่งสมาธิลิงเหงานอนอย่าไปเรียนอย่างนั้น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 วันนี่มันสมาธิว่านอนว่านอนก็แปลว่าลิงลิงก็แปลว่าวอกวอกสามสิบสองภาษาเหนือเขาวอกสามสิบสองลิงนั่นเขาว่าวอกเขาบ่าว่าลิงเมืองเหนือเขาว่าวอกมันอกแวกถ้าใครเห็นเลียงจะรู้ได้เข้าใจ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 เสียงเขาดุดาว่า้ลายค้ายสีให้ไม่ชอบโอดเกียรติขึ้นมานั่งไหนคือว่าจิตไม่สงบตั้งมั้นในสมาธิภาวนาแต่นั่นถ้าจิตเราทุกคนผู้ใดก็าตามถ้ายังง่วงเหงาหานอนนิวรนทางค้า กามฉันพยาบาทีนามิตะอุตจักุกุจะความฟุ้งซ่านลำคาญวิจิกิจฉาถ้าจิตยังมีสงสัยนั่นบ่งสงสัยนี่บ่าคือจิตออกนอกทางนั้นแหละจิตขาดสติสัมปชัญญะจิตไม่มนความะระลึกโยในตัวโย่ในใจเรานั่งสมาธิภาวนา มันก็ได้แต่เทียงระเบียดและเบียดยนั่งแต่จิตมันไม่เป็นสมาธิหมันหลงมันลืมหลงลืมภาวนาขาดสติสตินั้นทันว่าต้องใช้ในที่ทุกสถานในการทุกเมือ่อทั้งกาย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 สิ่งที่เราทำนั้นเป็นบุญหรือเป็นบาปต้องมีสติระลึกถ้าเราฟังตรงนี้ยังไม่พอเราต้องทาต้องทำต้องมีสติความระลึกระลึกอยู่ในตัวในกายวาจาจิตของเรานั่นแหละถ้าไม่ระลึกอย่างนั้นมีแต่ความผิดพลา นั่งก็ง่วงเหงาเหานอนถ้าไม่นั่งสมาธินั่งสรรมดาก็ชอบเป็นคนเล่นคนคุยไม่สนใจในการเดินจงกร ม, มไม่สนใจอยู่ในที่สงบระงับของตัวเองมักจะไปขึ้นกุดนั่นลงกุดนี้ไปคุยถ่านั่นคุยท่านี้ ยิ่งใกล้จะออกพรรษาก็คุยเรื่องไปเที่ยวไปเตรไปดีเวทภาวนาในป่าบ้างคิดในเรื่องศึกหาลาเพศบ้างเหล่านี้ล่วนแล้วแต่ไม่เข้าในหลักเกณฑ์สมาธิทางนั้นที่เราพูดก็ดีทำก็ดีมันเป็นไปเพื่อเรื่องภายนอกนั้นให้พากันคอยระวัง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 เคยจิตมันลอยอยู่ไม่มาสงบตั้งมันไม่มาสงบในที่บริกรรมภาวนาพุโทโธนั้นมันลอยคำว่าลอยเลื่อนจิตมันเลื่อนที่อยกเราทุกคนคงได้พบได้เห็นว่านอสสระเิดคือมูทั้งหลาย ไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่งูมีพิษไม่มีพิษมันไปทางไหนมันลอยไปเชื้อได้ยาที่ลอยของงูคือจิตเรามันลอยเหมือนงูเรานั่งที่นี้ภาวนาที่นี้มันไม่อยู่ที่นี้มันลอยไปที่อื่นคิดอะไรตอนน่อมีอะไรอันเป็นเรื่องฟุ้งซ่านลำคาญทานั้น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 เรียกว่าเป็นคนเรียกว่าคนเลื่อนลอยจิตเลื่อนลอยพระเนนแม่ขาวนางสีจิตใจเลื่อนลอยไม่สงบตั้งมาแล้วก็ว่าตัวเองภาวนามันภาวนาแบบไหนก็ไม่รู้ทำไมจึงนั่งภาวนาของง่วงเผาเอๆนอนไปหมดต้องตั้งใจใหม่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 ตามฉันพยาบาทีนามิทัาอุทะจะกุกุจาวิกิจิชายังมีอยู่ในใจผูุ้ชนคนเราตราบใดชื่อว่ายังไม่ตั้งใจภาวนาทางนั้นลยยังไม่ตั้งใจยังไม่เอาจริงจะไปเอาเมื่อใดเวลาใดให้มันจริงลงไปนะ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 เมื่อขาดสติแล้วสมาธิมันก็ขาดไปเมื่อขาดสติขาดสมาธิปัญญามันก็เกิดไม่ได้ญาณอันวิเศษยิ่งห่างไกลมันจะเกิดขึ้นอย่างไรคือข้อแรกมันก็ทำไม่ได้แล้วเรียวว่าสติสติความหละลึกไม่มีในจิต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 อย่างว่านึกถึงความตายที่จะมาถึงตนนึกถึงพุทธโธคุณกรบพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมมาเจ้านึกถึงพระสังฆะเจ้าสิ่งเหล่านี้ถ้าตั้งใจนึกจริงๆ จ, จ, จนเอาจิตใจของตนหายความง่วงเหงาเหานอนได้จิตมันจะสว่างสวัยขึ้นมา เรียวว่าจะประพฤติดีปฏิบัติชอบได้ถ้าขั้นโลกรอกธรรมดานี่แหละก็เอาไม่อยู่เวลากี่แลความโกรธมันเกิดขึ้นก็มาเห็นเวลามันโกรธมันกระ ง, งักไม่อยู่เพราะขาดสติความโลภมันเกิดขึ้นมันขาดสติ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 ตัวเราของเราที่ไหนร่างกายสังขารนี่ธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลมประชมกันอยู่เท่านั้นเราจะมาเดทมาถือว่าเป็นตัวเราของเราจริงๆไม่ได้ธาตุแท้มันไม่ใช่ตัวเราธาตุแท่กก็คือธาตุดินเอาดินมาปั้นเป็นตัวคนเรา เมื่อได้ธาตดินก้อนดินก้อนนี้มาแล้วเราไม่กระเพิดปฏิบัติให้ดีขาดสติไม่ล ะ, ล ะ, ละเลิกพิกรณะกิเลสโลเลในใจแนละ้วมันก็โลเ ล, ลเพราะไม่ภาวนาดูให้รู้แจ้งด้วยปัญญาเมื่อโลกผ่านตา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 คือมันจิตใจร้อนแล้วโอกโยด้วยอำนาจของกิเลสนั้นเรียกว่ามันเป็นไฟไฟไหม้หัวใจมนุษย์และสัตว์ทางหลยเพราะมนุษย์และสัตว์ทางหลายขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดยิดชาความรู้ในทางพุทธศาสนาเมื่อมันขาดแล้วมันก็บกพร่องไปหมด ดันั้นให้ตั้งตัวตั้งใจขึ้นมาเราเลิกขึ้นมาอย่าให้ขาดสตินั่งก็ภาวนาอยู่ให้ได้มาละนังเมภาวิตสกินึกเตือนใจของตนให้ได้ว่าเรานั่งโยเราก็นั่งรอวันตายถ้าความตายมาถึงเข่าเรานั่งโยก็ตายได้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 พระในจิตพระในใจพระในความประพฤติปฏิบัติของเราทุกคนจึงจัดว่าเป็นพระแท้และกิเลสความโกรธบรรเทากิเลสความโกรธได้นั่นแหละองค์พระอยู่ที่นี้บรรเทาความโลภโลภพระจิตในจิตในใจออกให้ได้ละความหลงออกจากจิตใจให้ได้นั่นแหละเป็นพระ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 นุ่งผ้าเหลืองถ้าเหลืองไผก็นุ่งได้ในล่านค่าของเจ๊กของกีนเขาขายเสื้อลวดผ้าเหลืองเนะี่ยเยอะแยะไปไม่ใช่ผ้าเหลืองมันดีเจดคนเราที่ละเว้นจากความชั่วต่างๆเว้นจากฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประเภตติดในการกล่าวโมุสาว่าเว้นจากเลีงกินโซลาเมลัยเป็นต้น เราเลิกละชิงที่ไม่ดีได้นั่นแหละท่านเรียกว่าคุณพระพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจ mm hmm. ำำพระธรรมคาสอนพระธรรมวินยัยพระธรรมพระดีนัยก็อยู่ที่ใจคุณพระอริยะสงสาว ก, ก็อยู่ที่จิตนั่นแหละอยู่ที่ใจของเราใจนี้ท่านจรว่าให้ตั้งใจขึ้นมาแล้วเลิกขึ้นมา ใจโลเลให้พายละกันจิิงใจโลเลได้แก่อะไรใจขี้พูดขี่คุยใจไม่สงบพูดเกง่งคุยเกง่งเล่นเกง่งนั่นแหละคือว่าใจกิเลสใจอันนี้ละมันพาให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ไข้ให้ตาย มาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้ไม่จบไม่สิ้นเพราะเราไม่รู้เล่เหลี่ยมกนมาัญญาของกิเลสพระสัมมาสัมพุท ธ, ธจเจ้าพระองค์รู้เล่เหลี่ยมของมารสังขารมามันไม่ใช่อยู่ที่อื่นมันก็อยู่ที่ใจมันน ốt คนเราที่ไม่เลิกไม่ละกิเลสนั่นแหละ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 ปฐมเทศนาจนถึงปชิมะวาจาสุดท้ายดับขันเข้าสู่นารีพานพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นยังเข้มข้นอยู่แต่มันเป็นที่จิตใจของผู้ปฏิบัติสาวกทั้งหลายไม่ตั้งใจไม่ทำจริงไม่ปฏิบัติจริง ต้องให้รู้เล่เหลี่ยมมารยาสาไทยของกิเลสเคยเดี๋ยวนี้จิตใจคนเรามันไปเชื่อมารกิเลสไม่เชื่อพระพุทธเจ้าทั้งที่พระพุทธเจ้านั้นเขาหลอเป็นพระพุทธโลกไว้ฟังต่างๆเยิอนก็มีนอนสีหะสัญาติก็มีนั่งขัดสมาธิเพชรก็มีนั่ง แบบธรรมดาก็มีทีนี้ถ้าเราเวลาจะมานั่งขัดสมาธิเพชรอย่างหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อขัดสมาธิทําไม่ได้พระพุทธรูปทองทอ่านยังทําได้แล้วท่านนั่งได้นานกว่าเราด้วยท่านนั่งตลอดกาลไม่มีการไม่มีเวลา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 มันพูดเรื่องจิเลกความโกรธความโลภความหลงอย่างไรหรือมันพูดเพื่อละจิเลสความโกรธความโลภความหลงก็ให้มันรู้ไปขาดไม่ได้ขาดสติไม่ได้เย่างนี้จิตใ จ, ใจมนุษย์คนเรามันขาดจนไม่รู้ว่าทำบาปอย่างไรทำบุญอย่างไรไม่รู้จากบาป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 ต่อไปให้เราทุกคนเตรียมเลิกเต็มละมันเสติีอย่าปล่อยให้มันมาย่ำเยีหัวใจของเรามันเยียดย่ำมานานแล้วกิเลสความโกรธมันครอบกายวาจาจิตของเรามาตั้งแต่อนเนกขานมาแล้วเรายังจะไปโกรธตามมันไปหรือ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 รู้ไว้ก่อนว่าคำอย่างนั้นเป็นบานนปพูดอย่างนั้นเป็นบาปคิดอย่างนั้นเป็นบาปเลืมสติเป็นบาปขาดสติเป็นบาปมีสติเป็นบุญสติตัวเดียวน่ะสาคัญถ้ามีสติขึ้นมาเมื่อใดเวลาใดเวลาปฏิบัติบูบชาภาวนามันมีอยู่ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอน มีโยทุกลมหายใจแปลว่ามีเวลาทำความดีได้ทุกเวลาชั่วโมงนาทีวินาทีเป็นเวลาทำความดีภาวนาได้ทางนั้นแต่นี่คนเรามันไม่มีความสนใจไม่มีความตั้งใจ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 ไข่ได้ทุกลมหายใจเข้าออกว่าเราเกิดมาแล้วนะมันขยับเข้าไปโู่ความตายทุกเวลาเวลาความตายมาถึงเข้าเวลามันจะเจ็ดไข่ได้ป่วยขึ้นมามันมีได้ทุกเวลาเพราะเราไม่ตั้งใจไม่เจริญภาวนา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 จิตใจไม่สงบระงับก็ไปนอนอันนั่นแหละตะขาบมันจะกัดทุกคนแหละเพราะคนเรานอนหลับนั้นเหมือนกับตายเห็นไหมงูมาก็กัดได้เสื้อมาก็กัดกินได้ตะขาบมามันก็กัดได้นอนไม่ภาวนานอนไม่สวดมนนอนไม่เจริญวิรูปรเกศ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 ไม่ใช่ว่าตะขาบกัดแล้วเราก็มาเจริญภายหลังหรือว่าตะขาบกัดมือแล้วก็มาเจริญวิรูประเคหิเ ม, ม, มตตางเป่าโลมันไม่ได้ละมันเป็นผลละผลเจ็บละผลทุกข์มาถึงแล้วต้องทําไว้ก่อนละมัธระวังไว้ก่อนจเจริญไว้นึกไว้เพต้องหาเวลา นึกได้เจริญได้เมื่อใดเวลาใดถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราทุกคนเป็นเกราะแก้วป้องกันเจ็บชั้นภัยอันตรายต่างๆเข้ามาก้ำกายรูปมาขันร่างกายไม่ได้แน่นั้นคาถาในทางพุทธศาสนาเราได้ จดจำอะไรท่านจึงให้สวดให้เจริญไว้มันเป็นสิริมงคลข้างตนและบุคคลผู้อื่นด้วยแต่คนเรามันมองไม่เห็นเข้าใจไม่ถูกจึงไม่มีศรัทธาที่จะเจริญที่จะประกอบกรบธรรมให้เกิดให้มีขึ้นเลยมีแต่จะคอยท่าเอารอท่าเอาเมื่อได้ มันจะเกิดมีขึ้นบนอย่างนั้นความสุขอย่างนั้นสบายอย่างนั้นเมื่อใดมันจะมาเกิดมีขึ้นเมื่อใดมันจะมีขึ้นในตัวเราเองมันคอยถ้าเอาแบมือรับอย่างเดียวไม่ได้ต้องประกอบกระทาสิ่งทั้งหลายมาจากกรรมดีกรรมชั่วตัวกระรทาทางนั้นแหละ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 ถ้ารวมจิตรวมใจเป็นปัจจุบันธรรมจะอยู่ที่ไหนก็ตาอยู่ในกายวาจาจิตของตนตั้งจะเกิดจนตายไม่ตายเมื่อใดจะออกจากร่างกายนี้ไปที่อื่นไม่ได้ก็ให้ถือว่ามีกายมีจิตมีชีวิตมีลมหายใจอยู่ก็ น, นั่นแหละสมาธิปาวนา ประมาทไม่ได้อะไรต้องประกอบกระทำอยู่เสมอๆ ส, สติความหลับลึกได้ไม่ใช่ว่ามันเป็นตัวเป็นตนเป็นก้อนเป็นนวยอยู่เหมือนวัตถุภายนอกไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นการเจริญเป็นการนึกเป็นการน้อมเป็นการกราบเป็นการไหว้ไหว้พระพุทธเจ้าในใจ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 ยืนโยที่ไหนท่านก็ถือว่าเป็นยืนภาวนาเดินไปมาที่ไหนท่านก็ให้ถือว่าการเดินไปนั้นเป็นเดินจงกรมภาวนาแม้ไปรถไปเรือไปไหนก็ตามก็ต้องภาวนาไปทุกอิริย า, ยาบถคือไม่ให้ใจเราว่าหงหลงไหลไป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 อย่างเดียวไม่ได้ทุกอิริยาบทยืนเดินนั่งนอนกับภาวนาได้เห็นนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นสพนัพพัญญพุทธะพระองค์รู้คันว่าไม่ว่าจะภาวนาบทในข้อใดทาก็ไหนก็ตามถ้านึกได้จเจริญได้ทุกลมหายใจ หรือเหมือนกระลมหายใจแล้วนั่นแหละจะเข้าใจในธรรมะปฏิบัติไม่ใช่มันอยู่ที่อื่นอยู่ที่ประกอบกระทรระลึกอยู่เสมอนี่เป็นอุบายในทางพุทธศาสนาเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติ ก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาละจนีสัพพิตโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีททคายุโกภาวะอธิวาธนาสิริษนิจังวุตธาปัจายิโน จัตตารโรธรรมาวทชันติอายุวันโนสุขัสงสัปหลังนาบันี้ถึงเดลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้ระลึกถึงพระพุทธ อ, องค์ คือพระพุท ธ, ธเจ้าของเรานั่นพระองค์นั่งขัดสมาธิใต้ลมไมโพจึงได้ตัดเป็นโพธิญาณเป็นพระพุท ธ, ธเจ้าขึ้นมาในโลกการนั่งขัดสมาธิคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อน <c oughs>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 ให้เนิกให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกคือไม่ให้หลงหลืมระวังจิตใจไม่ให้คิดแส่ฝ่ายไปภายนอกจ้องรวมเข้ามาสงบเข้ามาว่าเดี๋ยวนี้เวลานี้เป็นเวลาปัจจุบันเป็นเวลาฟังธรรมเป็นเวลาปฏิบัติธรรมะ เป็นเวลารวมจิตรวมใจให้มาสงบดังนับให้มีสติความระลึกได้อยู่ในใจในตัวนี้คอยระวังจิตใจไม่ให้แต่สายลุ่มหลงไปตามอารมณ์กิเลส ธ, ธรรมดาอารมณ์กิเลสในใจมนุษย์คนเราล่า น, นมันเต็มอยู่ภายในใจ ไม่ว่ากิเลสลาคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะเต็มไปหมดถ้าเราขาดสติเมื่อใดเวลาใดสมาธิต่างมันมาอยู่ก็ไปตามอำ น, นาจกิเลสนี่แหละขอ้อจิตนี้มันยังยิงยนดีพอใจกับกิเลสมันยังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษกับกิเลสอันนี้ จึงได้มาลุ่มหลงหมัวเมาเข้าใจว่าทําไปตามอํนนานาจกิเลสมีความสุขพูดไปตามอํนนานาจกิเลสมีความสุขคิดไปตามอํนนานาจกิเลสมีความสุขหาลู่ไม่ว่าสิ่งนั้นมันเป็นตัวทุกข์ก่อนทุกข์สร้างทุกข์สร้า ง, งความเดือดร้อนขึ้นมา พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ละให้วางยาได้ตามมันไปโผลกระแสเข้ามาว่าปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้ร่างกายของเรานั่งภาวนาอยู่นี่จิตก็ไม่ให้ไปที่อื่นโดปริมนทนหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบในตัวของคนเราไงแหละ ความมีอะไรเต็มอยู่ภายในนี้แบบนี้ยังมีชีวิตโยูคือยังมีลมหายใจเข้าออกถ้าลมหายใจเข้าไม่ได้ออกไม่ได้แล้วคนเราก็ตายตายแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเนื้อก็กินไม่ได้หนังก็ไม่มีประโยชน์วัวควายเขาตายยังมีประโยชน์บ้าง มนุษย์เราตายไม่มีประโยชน์อะไรเขาไฟทิ้งเวลายังมีชีวิตอยู่เจ็บผู้มาอาศัยเนื้อหนังบางสังกองกระดูกอันนี้อย่ามาเพียงแต่มายึดเอาถือเอาความสุขสะดวกสบายนนนในนิดใน่อยแล้ก็ลืมภาวนาไปไม่ได้ การภาวนาคือสมถภาวนาพิธีการใดก็ตามเมื่อรวมจิตรวมใจสงบระงับให้ตั้งมั่นลงไปเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวให้ได้เมื่อจิตตั้งมั่นลงไปได้แล้วรอบรอบกายวาจาจิตของคนเหล่านี่เองก็แสดงถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอน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 สิงที่ไม่เที่ยงมันก็จะให้เที่ยงจะให้เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปอย่างว่าสุกกายสาบายใจจิตมันชอบก็อยากจะให้ความสุกกายสาบายใจอยู่ไปได้นานๆแต่หารรคไม่ว่าโรคนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลมืออยที่ไหน ที่นั่นก็ยอมแสดงถึงความวิกลมีการอยู่ตลอดเวลาคือไม่เที่ไม่คงที่ไม่เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปให้รู้ไว้ท่านก็ว่ามันเป็นทุกข์หรือว่าทนอยู่ไม่ได้เป็นอยู่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเจ็ดให้รู้ว่า นามโลกกายใจตัวตนสัต บ, บุคคลตั้งแต่ส่วนย่อยคือตัวคนเราไปถึงส่วนใหญ่ส่วนมากก็เหมือนกันมีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์มีความไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดใครจะไปบอกกล่าวให้มันเกินไปอย่างนั้นอย่างนี้ตามใจชอบไม่ค่อยได้ เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่เทีย่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ของใครเป็นธาตโลกเป็นของโลกเขาแล้วจิตใจหลงอันนี้ก็มาอาศัยในธาตโลกของเขาโดยความไม่รู้เท่าทันการปฏิบัติภาวนาเพื่อให้รู้เท่าทัน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 ผู้โลภของเราไม่มายึดเอาถือเอาเจตใจดวงผู้รู้คนอื่นผู้อื่นเขาก็มายึดเอาไปเป็นตัวตนของเขาเพราะว่าก้อนธาตุกรรมาฐานอสุภกรรมาฐานอันนี้เมื่อมันตั้งขึ้นมาแล้วเจตใจมันก็มายึดเอาถือเอา ว่าเป็นตัวเราของเราเมื่อได้ตัวนี้มาแล้วมันจะได้ทํำตามอํานาจกิเลสความโกรธกิเลสความโลภความโลภะในจิตกิเลสความหลงมันจะได้ทําไปตามอํานาจของกิเลสแล้วกิเลสนี่แหละมันก็โผงมัดลัดธเริงให้คนสัตว์ทั้งหลายมาติดอยู่ข้องอยู่มาหลงอยู่ หลงโยในโลกในเสียงในกลิ่นในรสในโผทะพระธรรมมาหลงความรุ่มหลงเหล่านี้มันกับโขกมัตลับลริงจิตใจของคนเราให้ติดโยให้คล้องโยในความรุ่มหลงเหล่านี้เราจะต้องตั้งใจแก้ไขไม่ให้จิตใจมาหลงยึดหน้าถือตายึดชาติยึดตรกูลยึดคนยึดสัุ่ม ยึดแผ่นดินแม่น้ำลำคลองป่าดงพงไผรไม่ให้มียึดอะไรถืออะไรเคอว่าอะไรมันอยู่ที่ไหนก็ให้อยู่ที่นั้นต้นไม้ภูเขาดึงฟ้าอากาศมันอยู่ที่ไหนก็ให้รู้เท่าทันแล้วให้มันอยู่ตามสภาพนั้นๆจิตอยากไปยึดว่าอันนี้ของเราอันนั้นของบุคคลผู้อื่น จะมีของใครในโลกดูเมื่อเราเกิดมาได้อะไรมาก็ได้ขาสองแขนสองศีสะหนึ่งตัวน้อยนิดเดียวนี่แหละมาเมื่อมันเจริญไวใหญ่โตแล้วก็มาหลงยึดหลงถือว่าเป็นตัวเราของเราของกูตัวกู่อนเทสดเมื่อมันแตกดับทำลายมันตายไป ดินน้ำไฟลมประชมกันอยู่ไม่ได้ก็เรียกว่าตายเมื่อตายแล้วเอาไปได้ที่ไหนจิตใจไปดวงเดียวเท่านั้นร่างกายสังขารอันนี้หมดลมที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่นแหละจงทำความเพียนเพ่งอยู่ให้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่า อะไรทั้งหมดที่จิตเรามุ่งมากปรารถนานั้นคือว่าจิตหลงจิตไม่รู้เมื่อจิตไม่รู้โลภจิตตันหาจิตมันก็เกิดขึ้นมาทับถมจิตใจ <c oughs> การมีชีวิตอยู่ในโลกนั้นอะไรอะไรมันต้องมีการบกพร่องอยู่เสมอจะให้มันเต็มบริบูรณ์ไม่มีการบกพร่องนั้นไม่ได้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 แต่มันที่ไม่สบายอยู่ก็คือว่ามันยึดเอาถือเอาอะไรไม่ใส่ตัวตนของเรามันก็เข้าไปยึดไปหลงเพราะไม่รู้แจ้งในหลักอนิจจังคือความไม่เทีย่ยงไม่รู้แจ้งในหลักทุกขังมันจึงเหตุการณ์ให้เกิดทุกข์ไม่รู้แจ้งถึงหลักอนัตตาคือความจริงมันไม่ใส่ตัวเราของเราเลย เจ็บหลงมาหลงเยึดเอาถือเอาสังหากยึดแล้วถือแล้วว่ามันจะเป็นไปตามใจหวังความจริงไม่ได้เป็นไปเลยได้เวลาแก่มันก็แก่ไปได้เวลาเจ็บมันก็เจ็บไปได้เวลาแต ก, แตกเวลาตายมันก็แตกดับตายจิ้นไปอย่างนี้จงทําความรู้แจ้งในจิตใจเล่สงบตั้งมัน่นเห็นจริงต่างๆ ว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมันเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาผลที่สุดย่อมแตกดับทาลายไปตามสังขารทั้งหลายฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆดังกล่าวมานี้เป็นอุบายธรรมปฏิบัติธรรมให้เกิดความรู้จักรู้แจ้งรู้จริงภายในจิตใจจิตใจจะได้สงบระงับตั้งมั่นอยู่ในธรรมปฏิบัติ ดังสแสดงมาก็สมงวรด้วยกาละเวลาเยวังก็มีด้วยประกาละชนีทรัพีติโยวิวัตชนตุสภะโลโคโินัส ต, ตุมาเตปวัตวันตรยโยสุขีเทคายยโกภวะอธิวาธานะาสิริสัิจังุตตาปจายโน เจตารโรธรรมาวทชันติอายุวนโนสุขขรังอาลังิ่งอื่นใดนอกจากจิตใจพุทธะนี้ออกไปไม่เที่ยงเป็นกองทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของเราจงเลิกละปล่อยวางถ อ, ถอนทิฏฐิมานะเหล่านี้ออกไปให้หมดสิ้น ถอนจีแลดความโกรธค้ามขัดเคืองในใจออกไปให้หมดสิน้นใครจะว่าร้ายว่าดีให้ก็เป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของลมปากเจดอย่าไปรับเอาภาวนาถอนหน้าถอนตาถอนตัวถอนจนถอนตัวกูของกูตัวข่าของข่าตัวเราของเราออกไปพดคอจิตเป็นหนึ่ง พุทอจิตลู่แจ้พุทธอจิตลู่จริงพุทออยู่ในตัวในใจไม่ใช่พุทธนอกกายนอกใจไปพุทอไม่ต้องดูที่อื่นพุทอดูกายให้ทั่วถึงพุทอดูวาจาที่ตัวเองโพูดพุทอดูใจที่จิตใจมันคิด พิดภาวนาพุโทโธในใจหรือไม่มันคิดอิจฉาปยาบาทอาคาจองเวียนแก่ใครอยู่เดี๋ยวก็ปลดให้คนนั้นตัดตัวนั้นเดี๋ยวก็ลกอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้โลภตันหาละทิ้งให้หมดทำใจให้สงบเป็นหนึ่งไม่ให้เป็นสองจิตสองใจ เอาให้มันจริงแจ้งลงไปในหัวใจของตัวเองนี่แหละจึงชื่อว่าภาวนาอยู่ในตัวภาวนาอยู่ในใจภาวนาอยู่ในธรรมภาวนาอยู่ในวิไนสัตตุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามาดิสอนให้อยู่ทางนอกพระพุทธเจ้าสอนให้ดูดูอยู่ภายใน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 มันเปื่อยเผะอย่างนั่นแหละเราจะไปนั่งอ <c oughs> ยู่ใกล้ก็ไม่ได้มันเหม็นสาเหม็นข่าวเหม็นไม่เข้าทาหรือจะไปนั่งทานอาหารกินข้าวที่นั่นก็อาเจียนลากออกกินไม่ได้ตัวเราก็เหมือนกันตัวเขาก็เหมือนกัน คนที่เกิดมา